บางคนเนี่ยพระบางองค์โยมบางคนเนี่ยอายุตั้งแปดเก้าสิบแล้วเราคนหนุ่มเนี่ยทําสู้ไม่ได้ก็แล้วกันแหละผมต้องมีประสบการณ์มาในลักษณะที่ไปอยู่ร่วมกับคนแก่ก็บางคนก็ถ้าพวกที่ยังไม่ถึงขั้นก็นั่งๆเขาเดี๋ยวก็ห้านาทีเหยียดกาแล้วในพูดถึงคนมีอายุบางคนนะ ยูพูดเนี่ยก็มีอะไรเนี่ยเวลาก็บางทีก็ไปดูฟังท่านก็ก็ไม่ก็เก่งนะอันนี้มาอยู่ที่มือเกา่ามือใหม่แต่ว่าลายที่พอนั่งสักสองสามนาทีต้องเหยียดขาแล้วเนี่ยก็เห็นพวกเรามาไปเห็นมาก็เนี่ยบอกเนี่ยไม่รีบทําตอนนี้จะทําเมื่อไหร่เนี่คนรุ่นยังแข็งแรงเขาปรลาลบนะเก<ม>ิดทำมาสังเวชขึ้นว่าถ้ารอไปถึงตอนนั้นแล้วต้องไปนั่งนั่งสักสองนาทีสามนาทีต้องเหยียดขาบางคนก็เหยียดขาเดียวบางคนเหยียดสองขา เดี๋ยวเผลอเอเอาอยู่แล้วนั่งได้อีกเดี๋ยวเหยเียดอีกเดินจงกรมก็ต้องเอามือแตะข้างฝาเดินไม่มีข้างฝาเดี๋ยวลม้มน้อยลงเนี่ยคือยิ่งมาเริ่มมาเริ่มตอนอายุอย่างนี้ก็อย่างนี้นะแต่ว่าคนที่อายุมาแล้วก็ทําได้เข้มแข็งยิ่งกว่าคนหนุ่มอย่างที่ผมไปเห็นมาในเมืองไทยก็มี แล้วที่ไม่เคยลืมไปจากความรู้สึกเลยคือที่วัดวัดดอนพุทธสมัยก่อนผมเคยไปแล้วก็มีโยมมีผมเป็นโยมหนุ่มนะฮะแล้วก็โยมอีกคนหนึ่งได้คุยกับท่านแล้วท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ก่นกุติตามมาจากวัดมะขามเรียงสมัยก่อนท่านพระครูเนี่ยท่านอยู่วัดมะขามเรียงท่านสอนอยู่ที่นั่นคนนี้ก็ตามมานอนวันละสอง 3ชั่วโมงเรานอนวันละแปดเกินเกินข้อบังคับหลายชั่วโมงเนี่ยพูดถึงไปใหม่ใหม่กินวันละสองมือคุณลุงคุณปู่เนี่ยกินวันละมือเดียวเนี่ยเราพอเราตื่นขึ้นมาลุงก็มาเดินยางกลมแล้วพอได้เวลาเราเข้านอนลุงก็ยังไม่ไม่เลิกเลย ก็ไม่รู้แกเลิกมาอะไรแต่ก็บอกแกเนาะเน่นอนวันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอายุมากแต่ว่าเดินเหินละเมียดละไมเหมือนคนมีภูมิต้านทานสูงกว่าคนหนุ่มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แกล้งทำและไม่จําเป็นต้องแกล้งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นพลังธรทำนะใช้คําว่าพลังธรรมเนี่ยให้ความหมายได้อย่างชัดเจนที่สุด ไหนมีใครที่ทําได้อย่างลุงคนนี้บางที่นั่งอยู่ที่นี้<ม>ก็อาจจะมีแต่ไม่กล้าพูดกันได้นะฮะตามไปดูเองแล้วกันแล้วก็ไปที่พม่าเหมือนกันก็เจอพอม่ามีเยอะหน่อยเนี่ยทั้งโยมชายโยมหญิงอายุมากมากนี่ยทําเข้มแข็งไปใหม่ๆเนี่ยเราอายเลยครับถ้านานๆก็ไปเองชั่วไปหน่อยนะแต่ก็ยังสู้ทันไม่ได้หรอกพวกนี้ก็มืออาชีพ ทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่เหนือ่อยนอกจากไม่เหนือ่อยทำแล้วยิ่งได้พลังถึงขนาดไม่นอนทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเลยแล้วอยู่ได้อย่างไรลองคิดดูสิแล้วอยู่ได้ไงแต่ท่านผู้อยู่ท่านเต็มใจจะอยู่อยู่แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดไม่ได้เกิดผลเสียอะไรขึ้นเนี่ยคืออํานาจของธรรมะที่เราใจเห็นนะ เราจะเห็นจากเล็กเเล็ดน้อยเหล่านี้ในชั้นตื้นๆเนี่ยก่อนที่เห็นได้เนี่ยก่อนเพราะว่าในระยะเริ่มต้นในขั้นอารัฐะเนี่ยก็เรียกว่าเห็นกิจอำนาจหน้าที่ใกล้ๆเห็นผลใกล้ๆเห็นเหตุใกล้ๆที่ปรากฏขึ้นก็คือสิ่งที่เป็นผลได้อันสำเร็จด้วยอำนาจหน้าที่นั้นเป็นผลใกล้ๆก่อนแล้วก็เหตุเกิดก็คือเหตุใกล้ๆ ใกล้ๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นเหตุทั้งของกิเลสเห็นรายละเอียดอย่างเรียกได้ว่าอัศจรรย์เลยทีเดียวแหละชนิดที่เราไม่ปฏิบัติแล้วไม่เห็นถึงจะรู้มาบ้างก็ไม่เห็ น, นกลไกของมันอันนี้เรายืนยันแล้วก็พวกเราถ้า น, นักปฏิบัติแล้วก็จะบางทีท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้นึกในเชิงนี้นะแต่ว่าถ้าผมพูดแล้วท่านจะนึก ถึงประสบการณ์ท่านได้เหมือนนกันกับที่เป็นตัวอย่างคผมคือในกรณีที่มันเป็นผลเกิดขึ้นอ่าผลไม่ต้องพูดแล้วเอาสองเคราะห์ไปเรื่องไอ้กิจอำนาจหน้าที่นั้นไปโดยเหตุเนี่ยว่าไอ้กิเลสตัวใดที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรดูไอ้ขั้นนี้นะไม่ใช่บอ้างไปโ้ชาติปางก่อนกี่ชาติกี่ชาติไม่ต้องนะ อารมณ์ไม่ดีที่เราได้รับขณะนี้เกิดจากเหตุอะไรไอ้ลึกๆยังไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ดีที่เราได้รับเกิดจากเหตุอะไรลึกๆไม่ต้องพูดถึงแต่ไอ้ใกล้ๆนี่เห็นเช่นเรานั่งทากรรมฐานสมาธิไม่เกิดเกิดความฟุ้งซ่านในตอนใดตอนหนึ่ง ครั้งใดครั้งหนึ่งเหตุต่างๆกันถ้าเป็นกรณีผมเนี่ยอย่างเหตุเรื่องอาหารเนี่ยผมเห็นชัดก่อนอื่นเลยชัดกว่าเพื่อนแล้วก็ชัดทุกครั้งที่ไปปฏิบัติเพราะว่าผมมันคนมีเบื้องหลังแพ้อาหารนะะ คอยเราแวดระวังคอยใส่ใจเลยคนนี้แต่ว่ามันไม่เคยลงรายละเอียดมันก็ได้แต่รู้อย่างนีกอยาพอไปถึงไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันรู้เลยว่ากินอะไรแค่ไหนแล้วมันเกิดความเบาสติดีอินรียดีกินอะไรแล้วสมาธิไม่ดีสติไม่ดีอินเซีย่ยทั้งหลายไม่ดีนะและกินเลดอะไรนิวรตัวไหนก็บอกครับมันรู้ก็ทําให้เราเนี่ยหลีกหลีกเลี่ยง อาหารอย่างอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดมากครับอาหารสัปปายะเนี่ยแล้วก็มันมันมีผลต่างตงกันแต่ว่าไอ้ผลที่มันเกี่ยวกับไปเหมือนไปสัมผัสจิตโดยตรงคือบางทีเนี่ยไอ้บางระยะเนี่ยนะฮะมันไม่มีผลต่อทางสตรีละแล้วะปวดศีรษะตรงไหนก็ไม่ได้ปวดตามข้อตามเพื่ออะไรก็ไม่ปวดแล้วมันค่อยค่อ ย, อยละลายชนะมาเรื่อย แต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ ย, ยผมจะต้องต้องไม่เคยลืมทุกครั้งเลยไอประสบการณ์นี้มันจะมีทุกครั้งแล้วผมก็รู้ออกเนี่ยตอนนี้เราเราทำลายอำนาจของมันได้มาถึงจุดนี้แล้วยังไม่เพียงพอคือจุดนี้หมายความว่ากินอะไรก็ร่างกายไม่เป็นไรแต่มันทวงจิตทวงจิตทวงอินทรีย์นั่งแล้วไม่นิ่งไม่ดื่มลึก สติไม่ไม่ละเอียดลึกปัญญาไม่ละเอียดลึกมันจะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อเป็นเพราะอันนี้เพราะกินอาหารอย่างนี้แต่พอไปถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ทวงจิตแล้วคือไม่เป็นไรเลยกินอะไรก็ทําได้เท่ากันอันนี้ต้องทํานานหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผมแล้วก็ไอ ของบางอย่างอาหารบางอย่างเนี่ยพูดถึงในชั้นต้นๆเนี่ยกินแล้วฟุ้งซ่านกินแล้วหงุดหงิดกินแล้วง่วงมันเริ่มรู้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเราเห็นเหตุในใ น, ในส่วนอย่างง่ายๆแล้วก็เหตุในทางอื่นก็มีเช่นว่าไอ้ความอยากไม่อยากของเราเนี่ย เช่นเราไปนั่งกรรมฐานแล้วก็พกความรู้สึกอะไรแฝงเข้าไปถ้าทีแรกเราไม่รู้ตอนหลังเราพอรู้บางทีรู้แล้วมันมีเบลออย่างที่เราเราเอาพูดกันเมื่อตราที่แล้วอยู่บ้างแต่นั่นยังพูดหยาบว่าเวลาจะไปเข้ากรรมฐานก็มั่นหมายในหัวใจเลยว่าเราเคยทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วเป็นโยคีชั้น V.I.P. แล้วเข้าไปแล้วก็ทางสะดวกเปิดโล่ง พอเข้าไปปรากฏว่าทําแล้วมันตํากว่าเกณฑ์ที่ตัวเคยเคยทําเคยได้อะไรครับที่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่เข้าไปทําลายคือกิเลสเป็นประตูมิรยาปัจจัยเข้าไปทําลายเข้าไปหนุนกิเลสในตอนหลังเข้าไปทําไปทวงไปสกัดไอ้ความเจริญของกุศลเนี่ยก็เรียกว่าอาภิชา ที่ไปเอาตัวกรรมฐานเป็นที่อาศัยอย่างนี้ไอ้นั่นแหละยังอยากเช่นนี้ไอ้อย่างละเอียดลงไปหน่อยก็คือว่าไอ้ต้นชั่วโมงเนี่ยถ้าใครเคยทําเป็นแบบชั่วโมงต้นชั่วโมงเนี่ยนะเมื่อกี้เรานั่งหูอทําลึกซึ้งมากเดี๋ยวถ้าชั่วโมงต่อไปต้องให้ลึกลงไปกว่านี้ต้องให้ดีกว่านี้มันก็ทํำด้วยความรู้สึกคือเขิมอยาก ท่วหัวใจเลยพอไปนั่งข่ามันไออยากเนี่ยในแง่กรรามฐานแล้วมันไม่มีคำว่าสมอยากนะอยากมากยิ่งไม่สมอยากมากอยากน้อยก็ไม่สมอยากน้อยอยากได้ตัณหาไม่อยากด้วยโทสะก็ไม่สมอยากอีกจะเรียกว่าไม่สมไม่อยากตกลงไอพิชาโตนัทนี่มันถ่งวงทําลายทั้งคู่เลย มีแต่ใจเป็นกลางเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์คราวนี้พอเราไปลงมือพับเนี่ยมันพลาดเลยอ่ะพลาดอย่างแรงเพราะพลาดอย่างแรงเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็เล่าร้อนแล้วเราก็รู้สึกแล้วเราก็เลือกแล้วเลือกที่รักมักที่ชังอจําไปละเดี๋ยวต้องทําเวลานี้เวลานี้มันผิดเวลานะทํามันส่งๆไปเถอะทําส่งๆไปนั่งๆมันพลนไปพลชั่วโมงไป หรือเอาพักนะเดี๋ยวไปปล่อยจิตให้พุ่งซ่านเรื่องนู้น เ, เรื่องนี้สนุกไปแค่ชั่วโมงนึงก่อนรอให้มันได้ชั่วโมงที่เราได้ประทับประสบความสำเรพอไปถึงชั่วโมงนั้นอีกสมใจไหมฮะไม่สมก็เลยไอ้สมหรือไม่สมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กิเลสและกิเลสมันทําให้เสียมันทําให้เสียนี่ก็เรียกว่าในชั้นอย่างนี้เรียกว่ายางหยาบเพราะนั้นไอ้ก่อนที่จะเราจะต้องบริหารไอ้ไอ้ตัว ความกินดีกินลายเนี่ยทั้งเฉพาะหน้าและทั้งก่อนหน้าให้ดีนี่ในขณะที่ทำนี่ก็เหมือนกันเราก็เห็นดีค่ะเราเวลาทำเนี่ยเห็นอะไรอารมณ์ได้อารมณ์อยู่ดีๆแล้วก็เกิดไปหมายใจอยากขึ้นอารมณ์หลุดทันที โดยเฉพาะอารมณ์ที่เรายังไม่คล่องนะฮะหลุดปิดเลยปิดทันทีเลยต้องรักษาใจให้เป็นวิเนยะโลเกอวิชาโทนะษาคือตั้งจิตให้เป็นวิปัสนูเบขาให้ดีเท่าไหร่เนี่ยความเป็นไปได้ยิ่งสูงคนรักษาวามคืออไ ด, ดีคือเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ตื่นเต้นยินดียิน้าย เห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าเราตั้งความรู้สึกเท่ากันเราก็อ่านออกว่าไม่เห็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรไม่ใช่เหตุปัจจัยนี้เห็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรเพราะเหตุปัจจัยมันมีหลายอย่างมันไม่แยะอย่างเดียวมันมากไปไหมฮะที่จะพูดถึงเหตุปัจจัยตั้งเยอะแยะและจะต้องรู้เนี่ยมากไปม มันกลายเป็นเรื่องมโหมันเราจะรู้มันหมดมันจะรับไหวเลยตอบว่ามากหรือไม่มากก็เป็นบทบาทของความรู้ในทางการปฏิบัติที่จะต้องรู้และเมื่อทําได้เมื่อจะรู้แล้วมากมันก็เหมือนน้อยมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยมันของก็เอยกล้วยในระยะที่เราทําได้ในในจุดนั้นนะนิดเดียวมันมองทั้งตัวทั้งเหตุเห็นเพราะฉะนั้น อัดตันยูตาเคยได้ยินไหมความรู้ตัวเองความรู้ตัวเองอย่างดีที่สุดเนี่ยก็คือรู้โดวยวิธีอันนี้เมื่อรู้ตัวเองอย่างนี้ปลุกขันยูตารู้บุคคลอื่นก็ไม่ผิดไปจากเราในทางหลักความเป็นจริงอันเป็นกลางอย่างนี้ต่างกันได้เรื่องเงื่อนไขปลีกย่อยด้านนอง นั้นเราก็จะเห็นคุณของกุศลเห็นโทษของกิเลสได้อย่างจับหัวใจแล้วก็เห็นภัยของอารมณ์คือนามรูปที่เรากำหนดอย่างลึกซึ้งทำสมถะเนี่ย เวลากำหนดลมเพื่อเอาลมเอาลมไว้กำหนดได้นิมิตก็ต้องรักษานิมิตไว้ให้มันฝังใจติดไปถึงชาติก่อนชาติต่อไปแต่คนทําวิปัสสนานั้นทําเพื่อเอาไว้ไหมไม่เอาไว้ทําเพื่อทิ้งเพื่อสลัดออกไม่ต้องไปทําอย่างพวกได้ปฏิภาคนิมิตเวลา จะเดินไปพินสบาทสวนสดวงอาทิตย์ไม่ได้เดี๋ยวมันทำลายนิมิตมันเขาจะลักนิมิตเขาเหมือนกับย่างเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกามาบุคคลผู้รักใคร่ใยดีกับทรัพย์สินเงินทองอันเป็นลัตนาเครื่องชูใจแต่คนทำวิปัสนานทำแล้วกลายเป็นเกิดแต่ทัศนคติที่ไม่ดีกับอารมณ์ที่ตัวทำ พองยุคทำไปทำมาแล้วพองยุคไม่ได้เป็นแก้วเป็นรัตนะอันหน้าชื่นใจกลายเป็นของเลวที่จะต้องอาศัยเกาะไปให้ถึงที่หมายไอ้ที่ไม่มีไอ้พองยุกเกาะแข่งเกาะขาไปเพื่อไปสู่ที่ที่ไม่มีแข้งมีขาเกาะ อ, อายตนะไป สู่ที่ที่ไม่มีอายตนะก็เลยเห็นได้ชัดอันหนึ่งว่าในเรื่องของสภาวะทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะค่อยๆขยายไปในโดยลำดับยานต่อไปเนี่ยนะลักษณะกับกิจเป็นตัวสภาวะธรรมนั่นเองตัวสภาวะธรรมนั่นเองคือที่เรากําหนดเป็นอารมณ์ในเบื้องต้น สำหรับผลกับเหตุเป็นตัวสภาวะธรรมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ที่เรียกว่าเป็นความระบาดจากสภาวะธรรมอันหนึ่งไปสู่สภาวะธรรมอันหนึ่งแล้วก็เวลากําหนดเนี่ยเอไปจับไอ้ความหลากหลายของนามรูปได้หลายอย่างแล้วมันก็จะบางทีไอ้เอาไปจับตัวผลเนี่ยมาเป็นตัวออกหน้าในชั้นหลังแล้วก็ไอ้ตัวอื่น ไอตัวเมื่อกี้ก็อาจจะมามาในฐานะเป็นตัวเกี่ยวข้องในด้านอื่นมันก็สลับกันไปอย่างนี้เพราะเวลาเรากําหนดเนี่ยเราไม่ได้เอาไปเห็นร้อนแล้วก็ร้อนอันอื่นเป็นเป็ น, ปนตัวรองหมดตลอดไปไม่ใช่บางทีร้อนเป็นตัวหลักเสร็จแล้วไปสัมพันธ์อื่นพอต่อมาก็มาจับแข็งเป็นตัวหลักตัวอื่นก็กลายเป็นตัวสัมพันธ์แล้วก็บางทีก็มาจับยานเป็นตัวหลักตัวกําหนด ตัวอื่นก็เป็นตัวสัมคัญมันก็วกเวียนกันอยู่อย่างนี้ทําให้สม่ําเสมอกันคือกระจายไปเป็นจากหนังสือเล่มเดียวเนี่ยกระจายความเป็นหลายอย่างแล้วก็ความหลายอย่างนั้นก็เป็นตัวสัมพันธ์อทัดเทียมกันโดยฐานะเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ไม่อผลนิด ถือว่าเป็นสภาวะธรรมภายหลังของแต่เป็นตัวธรรมอื่นนะสภาวะธรรมภายหลังของตัวธรรมที่เรากำหนดเป็นตัวหลักเหตุนั้นเป็นตัวธรรมก่อนของตัวลักษณะหรือตัวสภาวะธรรมหลักก็เลยเป็น เป็นสองด้านคือสรุปแล้วเนี่ยจากลักษณะสี่อย่างที่เรากำหนดสภาพปรามัดเนี่ยมีธรรมะสามหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งตัวมุกตัวตัวกำหนดตัวถูกกาหนดตัวลักษณะนะลักษณะตัวกิจเนี่ยแล้วก็ผลนั้นเป็นธรรมภายหลังของมันเป็นเป็นผลของไอตัวลักษณะ หน่วยนแล้วก็เหตุเป็นธรรมอีกหน่วยหนึ่งที่ทำให้ไอตัวหลักนั้นเกิดคําพูดผมอาจจะไม่ชี้ชัดนักแต่พอนึกได้นะว่าสมมติเรากำหนดเวทนาอยู่เวทนาเนี่ยเราก็จับลักษณะได้เวทนามีผลเป็นอะไรผลของเวทนานั้นเป็นธรรมอีกหน่วยหนึ่งใช่ไหเพราะเวทนาไม่ส่งผลเป็นตัวเอง ตัวเองตัวเองไม่เป็นบนตัวเองแล้วเวทนานั้นเกิดจากอะไรเป็นอีกหน่วยหนึง่งและถ้าเราไปกำหนดเห็นสภาวะธรรมตัวอื่นขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นลักษณะมันก็โยงไปหาธรรมสองหน่วยตัวอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสามสามสามสา ม, สามอย่างนี้ไปเรื่อย น, นี่พูดถึงว่าคนที่กําหนดจนเข้าวงจรตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ใหม่ทีเดียวใหม่ทีเดียวก็ให้จับลักษณะให้ได้แล้วก็ทำไมเอี่ยมจริงก็ให้จับมุกของอาจารย์ให้ได้ก่อนนะจ่าย ก, ก็พอจะชื่นใจในอ น, นาคตแล้วนี่พูดถึงการเห็นเหตุและที่จริงก็หมายถึงผลด้วยผมจะขออ่านข้อความในข้อย่อยที่สองของหกเนี่ยนะอันนี้จะโยงเข้าไปหายาน ต่อต่อไปแล้วครับว่าเขาเข้าลึกกันไปยังไงเอาขออ่านให้ให้ได้ยินว่ามีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งตัวเองและทำที่เป็นเหตุปัจจัยและผลด้วยครับใส่ผลเข้าไปด้วยแต่ที่จริงนะมันมันก็ย่อแล้วก็อยู่ในคำว่าเหตุปัจจัยเนะ่ะผยไม่ได้แปล ว, ว่าในตําราเขาพูดขาดหรอก แต่ผมให้เติมเนี่ยเพราะว่าให้ความหมายมันชัดขึ้นเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วมันก็มีเหตุกับผลนะคือไอ้ลักษณะเป็นเหตุของผลเหตุเป็นเหตุของลักษณะนะมันก็สรุปแล้วก็มีแต่เหตุกับผลแต่ที่แยกเป็นสามเพื่อหเห็นว่ามันมันคนละสายกันสายสายเก่ากับสายใหม่คือไอ้ลักษณะตั้งกลางโยงกลับไปหาอาดีตก็เป็นเหตุหน่วยเหตุในอดีต โยงไปหาอนาคตก็เป็นหน่วยผลในในอนาคตหน่วยตามอีกหน่วยนึ่งก็เลยเอคู่เหตุคู่ผลมันมีสามจุดอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตแต่โดยย่อแล้วก็คือเหตุกับปัจจัยเท่านั้น อ, อ่านต่อไปอีกวันทัศน์หนึ่งว่ามีเหตุปัจจัยที่เกิดอเหตุปัใจจัยให้เกิดเป็นอันมากทั้งเหตุใกล้เหตุไกล ทั้งเหตุที่เห็นได้ง่ายเห็นได้ยากในชั้นต้นน่ะเอาเหตุใกล้เหตุตื้นๆซึ่งก็ยังไม่ใช่จะเป็นของที่เห็นกันง่ายๆใช่ไหมะแต่ว่าถ้าคนไม่เห็นเหตุอย่างใกล้ๆตื้นๆก่อนแล้วก็มันก็ไปเห็นลึกๆมาได้เหมือนเห็นความเกิดดับเนี่ยการที่เห็นความเกิดดับเนี่ยถามว่าเห็นความเกิดดับยังไง ความเกิดดับมีกี่ชั้นอันนี้จะได้พูดลำดับให้รู้ว่ามีกี่ชั้นแล้วก็ชั้นไหนหมายเอาตรงไหนยังไงถามว่าเราทําใหม่ๆนี่เห็นความเกิดดับไหมเมื่อยังไม่เห็นเมื่อยังไม่ได้ยานสีเจาบ่าเห็นเหมือนกันแต่เป็นความเกิดดับที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของยานสีเช่นเราเกิดความรู้สึกเจ็บขึ้นปวดขึ้น ความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเรารู้บ้างไหมรู้ไอตอนรู้อย่างที่ทำใหม่ๆนียังไม่ได้ยานเลยเลยรู้แล้วก็พอทำทำแล้วก็เกิดจากขนาที่ปวดแล้วความสุขจะเกิดเข้ามาแทนที่หัวเรียวหัวต่อเข้ามันเราเคยรู้ไหมรู้เป็นความเกิดดับไหมเป็นแต่ว่าไม่ใช่ระดับ ของวิปัสสนาญาณที่สี่เกิดดับจึงมีหลายแบบหลายชั้นแต่แบบอย่างที่อยู่ในมาตรฐานของญาณเนี่ยต้องได้จากการเห็นไอของใกล้ๆหยาบๆนี้ไปโดยลําดับก่อนแล้วก็ว่าถอยไปอีกมันก็มีไอหยาบๆมา น, นี่จนกระทั่งไปเป็นเรื่องของสมมติเกิดดับอย่างสมมติแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นประโยชน์ก็นอเข้ามาหาข้างในที่เป็นประมาทได้ภายหลัง เพราะนั้นไอ้ตรงนี้น่ะจึงเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เข้าข่ายยานแต่อย่างไรแต่เราก็แบ่งว่าถ้าเห็นความเกิดดับกับเห็นเหตุปัจจัยนี่มันเป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งเอาวะถ้าความเกิดดับเห็นใกล้ตัวเข้ามาเท่าไหร่จนมาถึงในตัวถือว่าเป็นความเจริญยอดของการเห็นความเกิดดับแต่เห็นเหตุปัจจัยในเห็นออกไปไกลตัวเท่าไหร่ยิ่งเป็นยอดของการเห็นเหตุ แต่เห็นใกล้ตัวยังไม่เป็นยอดแใ่ความเกิดดับแต่เห็นกลตัวไม่เป็นยอดไกลตัวหมายก็ว่า เ, เห็นเกิดอารมณ์เกิดดับโกรธขึ้นมาแล้วก็ค่อ ย, อยๆดับบูบไปไกลตัวไม่ใช่เป็นยอดต้องเห็นแม้กระทั่งโกรธอยู่ไอโกรธมันก็เกิดดับแม้กระทั่งดีใจอยู่ความดีใจขณะนั้นก็เกิดดับอย่างนั้นถึงจะเป็นยอดเห็นเข้ามาถึงในตัวเลย อถึงตีรนาฏปริญญาเราค่อยพูดกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยสงสัยแล้วก็เคยเที่ยวถามพวกครูบาอาจารย์ไอ้เห็นเกิดดับนี่มันเห็นอย่างไหนนะเพราะเราก็พกความหมายว่ามันมันน่าจะมีบางอย่างี้อย่างนี้เห็นอย่างไหอย่างไรที่ว่าเห็นเกิดดับแล้วก็ไปถามเขารากว่าคําตอบออกมาต่างกันในการตีฆาญยานนะว่ายานเสียนความเกิดดับเนี่ยเห็นอย่างไห ที่ทันตีค่าตามยานนี้เราก็ไปถามเป็นทํานองว่าเราไม่ใช่ผู้สันทัดกันนี้แล้วก็ได้ฟังเป็นก่อเปรียบเทียบตอนนั้นเราก็ยังไม่อ่านตำร า, าอ่านไม่ถึงตำร า, าตอนหลังเราก็เก็บความไว้ว่าจริงๆในตําราว่าไงก็ทั่งไปอ่านในวิสุทธิมรรคเป็นต้นก่อนอเกิดดับเนี่ยท่านเอายังไงตามมาตรฐานยานสี่นี่ถ้าอยากรู้ล่วงหน้าก็าไปอ่านวิสุทธิมรรคเอาเองก่อนแล้วไม่ต้องมาฟัง ว่าภาคปัญญานิเทศอะยานที่สี่เปิดดูเะท่านจะบอกไว้เลยเห็นยังไงนั่นแหละคือคำตอบที่แน่นอนตามมาตรฐานใครจะอ่านอ่านวิสุทธิมรรคไม่ออกมาอ่านมีภาษาแปลแล้วนะแต่คงอ่านไม่ออกมันอ่านอานจอารย์ลบากหน่อยแต่ถ้าใครคุ้นณอยู่แล้วก็พอจะอ่านได้มาดูประเด็นที่เจ็ดต่อนะ ที่บอกว่ายาตะปริญญาที่จะกล่าวโดยภูมิเนี่ยเอ่อตรงนี้ก็ขออนุญาตคัดข้อความในคำภีมาใส่ไว้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะในประเด็นที่เจ็ดอ่านแล้วก็จะไม่บางทีจะไม่ต้องอธิบายอะไรบางอย่างอีกยาข้อหนึ่งยาตาปริญญาภูมิเริ่มตั้งแต่สังขารปริเฉศคือกำหนดสังขารด้แก่นามรูปเนี่ยถึงปัจจัย ปัจญาปริห า, ายานกำหนดจักปัจใจข้างน้ารูป ก, ก็คือยานหนึ่งกับยานสองนี่ท่านวางยานไว้นี่เป็นหลักฐานนะยกกรณีเป็นหลักฐานแล้วก็ต่อไปท่าน ก, กล่าวว่าด้วยว่าในระหว่างนี้คื อ, อความเป็นใหญ่ที่ผมใช้คําว่าอธิการย่อมมีแก่ความแทงตลอดปัจจัตารักษณะของธรรมทั้งหลายเท่านั้นอันนี้ก็คือความเป็นใหญ่มันอยู่ที่นี่เท่านั้น ที่เป็นตัวอธิการอันอื่นก็ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เป็นใหญ่ยังเป็นเบาะแสคืบตามมาแต่ที่เป็นเต็มสมบูรณ์คือตรงนี้อธิการคือตรงนี้ท่ารย์ที่บอกว่าแทงที่ใช้คําว่าแทงตลอดปัจจัตตารักษณะเนี่ยเราจะเห็นว่าอาารใช้คําว่าแทงตลอดเพราะว่าชัดเจนมากชัดเจนเต็มเหมือนเต็มเต็มหูเต็มตาเห็นลักษณะนั้นอย่างชัดเจนทั้งโดย อตัวลักษณะดังที่ได้กล่าวลักษณะสภาวธรรมนัแล้วก็ตําแหน่งที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ทั้งการตีค่าสภาวธรรมนั้นตีค่าคือกําหนดคุณค่ามันถูกคุณค่านะไหมคุณค่าในเชิงจริยธรรมหรือในเชิงวัตตะวิวัตตะก็แล้วแต่รวมอยู่ในคําว่าตีค่าเ อ, อคือไอ้เรื่อง กุศลอกุศลอย่างของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใช่คนฟังธรรมไม่ใช่คนสนใจเรื่องปฏิบัติมันตีค่า ผ, ผิดผิดถูกถูกนะใช่ไหมอย่างคนโลกโลกเนี่ยบุญก็ตีค่าเป็นบาบาปตีค่าเป็นบุญไปเยอะแ ย, ยะไม่ใช่เลยตีค่าไม่ถูกเลยเลยที่มันลายคือตีค่าความกระตันโยเป็นความผิดก็ยังอุตสามีใช่ไหมไอ้ที่สอนสอนกันนะกรกฐมดเดี๋ยวนี้เห็นจับจับกันไปแล้วเนี่ย ตีค่าไปคนละเรื่องคนละลาแต่ว่าพอคนเหล่านี้ลองมาปฏิบัติดูบ้างสิทั้งที่ไม่ได้สอนเรื่องกตัญญูเนี่ยนะสภาวะทำอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าตัวเองบกพร่องเรื่องความกตัญญูนึกถึงบุญคุณของใครต่อใครพ่อแม่พี่น้องใครต่อใครนึกเข้าใจตรตีค่าตรงนี้ชัดเจนหมดอ่นะ แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจา้าเจ้าของธรรมะใช่ไหมเกิดเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นเรื่องมันอาจจะออกนอกสภาวะไปสูโ่โลกหน่อยแต่ก็มันก็จําเป็นต้องมีอย่างนี้แล้วก็ไอ้สภาวะธรรมจริงๆทั้งรูปทั้งนามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนอย่างค่าของนิพพานอย่างนี้เป็นตน้นไอ้ตอนนี้ยังไม่ตีไม่ถึงหรอกนะครับ แต่มันก็เริ่มพูดกันง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าไปถึงบางขั้นเนี่ยนะคนผู้ปฏิบัตินั้นจะปีฆ่าของนิพพานได้อย่างมันไม่ใช่แค่เชื่อว่านิพพานมีไม่มีนะมันเป็นสิ่งจําปลาถนาเป็นสิ่งพึงปราถนาเอาอะไรแลกก็ยอมประเภทเนี้แลกนิพพานก็ยอมก็ <c oughs> พูดไปไงนะั้นความจริงไม่แลกไม่ได้ต้องทําเอา ก็จะเกิดการเห็นคุณค่าอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งควรไม่ควรอะไรต่างๆพวกนี้ยปัญญามันถึงกําหนดรู้อภูษณ์แล้วก็คนในความรู้นั้นก็ละเพราะมันตีข้าด้วยกําหนดรู้อุูษณ์จเจริญเพราะมันตีค้าแล้วก็กําหนดเห็นภัยของสังสารวัตรละกลายกําหนดเห็นคุณของวิวัตร์ก้าวเข้าไปหาโดยอัตโนมัติของมันเลย ถึงเจอตรงนี้ก็จะค่อยๆเกิดตรงนี้นะผมก็อธิบายเลยๆไปบ้างแต่ตรงนี้ก็เป็นในเพียงตีแทงตลอดอย่างชัดเจนโดยลักษณะและที่ตั้งและคุณค่าอย่างต้นๆ น, น, นี่ก็ เ, ยเียกๆก็เพียงพอแล้วอย่างเช่นว่าตำราบอกว่าเห็นเห็นที่ไหนไอเราเนี่ยเราตีค่าไอตำแหน่ง ตีตีจุดคือหมายถึงกําหนดตําแหน่งไม่ตรงด้วยถามว่าเห็นที่ไหนเขาบอกว่าเห็นที่นู้นเห็นที่นี่ได้ยินที่ไหนก็ได้ยินที่นู้นที่นี่ได้กลิ่นที่ไหนแต่สัมมาบอกว่าได้กลิ่นที่ไหนได้กลิ่นที่ไหนที่จมูกขนาดบอกว่าได้กลิ่นที่จมูกอธิบายเป็นกุงแหววแล้วเรายังไม่ยอมเชื่อนะ ทำจมูกฟุดฟุดออกมาจากไหนฟิ่นมาจากไหนก็ไม่เชื่ออีกนะเราก็คุ้นกับการมองไปในลักษณะไกลๆอย่างนี้ดังนั้นไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดอย่างเช่นความรู้สึกทางกายเนี่ยไอตรงไหนเกิดขึ้นยังไงวไอตรงนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นตรงนี้เกิดมันแตกต่างกันยังไงเพราะอะไรเนี่ยมันเห็นได้หมดอัศจรรย์นะเห็นได้หมดแต่เรานึกอย่างนี้เรานึกไม่เห็น เพราะฉะนั้นคนที่เข้าปฏิบัติเขาถึงเห็นว่าใจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยใจมันตั้งอยู่ใจอะไรมันตั้งอยู่ตรงไหนเขากำหนดรู้ได้ขนาดฝรั่งยังบอกได้เลยเราสู้ฝรั่งไม่ได้ฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยไปบวชอยู่พ ม, ามา่าเพิ่งมาสนใจพระบิํามตอนหลังก็ ม, มาคุยกันแล้วเขาบอกว่า ใจเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ใจเขากําหนดเห็นขนาดฝรั่งกามีการศึกษานะไอ้เราก็เออจริงหรือเปล่าจะไปพูดอย่างไงเขาค่อย เ, เห็นยังไงใจมันอยู่ที่ใจเชื่อไหมละ่ะเดี๋ยวนี้จังไปก็เชื่อแล้วนะไอ้เอ็มอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ว่าฝรั่งเขาปฏิบัติเขาก็บอกบอกอย่างนั้น เพราะนั้นไอ้สภาว่าธรรมทั้งรูปทั้งนามนมันจะมีตําแหน่งแห่งที่ถ้าคนกําหนดไม่ได้ตําแหน่งแห่งที่แล้วมันจะไปกําหนดโดนตัวได้ไงใช่ไหมละ่ะมันต้องรู้ตําแหน่งแห่งที่ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนต่อไปครับยาตาข้อสองนะประเด็นที่สองจะบอกว่ายาตาปริญยาคืออภิญญาปัญญาอันนี้ก็เป็นการเรียกปัญญาปัญญารู้ว่าปิญ ญ, ญายธรทำชื่อวิาญาณโดยอ่านคำว่ารู้แล้วทำ ทั้งหลายใดๆเป็นธรรมที่พยาพโยกาวจรผู้รู้ด้วยปัญญาจริงแล้วทมนั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าเธอรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยเอาว่าจับนามรูปได้อย่างสมบูรณ์แล้วอย่างมั่นเหมาะแล้วก่อนที่จะได้ยาเป็นเพียงแย่งกันไอ์กิเลนก็ดึงไปหาบัญญัติ ความมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติของสติทั้งปีพยายามจะจับให้มันเป็นบาลามัดก็แย้งันไปแย่งกันมาไงนะ่ะถ้ายังไม่มั่นเหมาะชื่อว่ายังไม่สําเร็จยังไม่ชื่อว่ารู้แล้วยังไม่ชื่อว่ารู้แล้วถ้าเราจับได้อย่างอย่างใจมั่นเหมาะชื่อว่ารู้แล้วรู้แล้วยังไงรู้แล้วมาจากเมื่อเราลองเราเรียนอะไรอย่างนี้น่ะเราก็เรียน ขั้นบริยัติแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆรู้ตรงนี้หมายถึงเอารู้ขั้นปฏิบัติรู้แล้วจริงๆคือตรงนี้รู้ทั้งตัวทั้งเหตุครบท้วนกระบวนความเลยไอ้ต้นๆเนี่ยมันก็ลักษณะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะรู้อีกหน้าหนึ่งต่อไปญาตาปริญญากาหนดรู้ด้วยความรู้ยิ่งซึ่งนามรูปพร้อมทั้งปัจจัย เป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะแห่งยาต่างปริญญานะอันนี้ก็เป็นข้อความในวิสุทธิมักร์ที่อยู่ต่างจุดกันก็คัดมาว่าให้ฟังตรงนี้นะก็เวลาหมดลแล้วทำไงดีอะยัยงค้างอีกสองประเด็จซึ่งโดยเฉพาะประเด็นที่เก้าเนี่ย สำคัญแล้วด้วยเอาอย่างงี้แล้วกันประเด็นแปดเนี่ยผมอ่านให้ปรากฏแล้วผ่านเลยไปเพราะเป็นข้อความจากคกำบีแล้วก็ทิ้งประเด็นเก้าไว้อธิบายพิสดารคราวหน้าซะเลยพร้อมกับเนื้อความที่จะคัดมาจากพุทธวจนะเป็นเครื่องประกอบด้วยยาตาปริ ญ, ญาคือปัญญาบัญญาเนี่ก็เป็นเนื้อความที่เพียงแต่ยกมายืนยันว่าที่ผมได้ไปเลี้ยงพู ด, ดอะไรๆเนี่ยก็มีที่มา ที่ได้คัดมายืนยันบางที่ว่าหนึ่งปัญญาอันเป็นไปในการกาหนดลักษณะโดยเฉพาะเฉพาะแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นอย่างนี้ว่ารูปมีความแตกดับไปเป็นลักษณะเวทนามีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะชื่อว่ายาตาปรินยาข้อสองคำว่าอภินเยยยาแปล ว, ว่าควรรู้ยิ่งความว่าควรรู้ ด้วยสามารถแห่งการรู้ซึ่งสภาวะลักษณะคือรู้ด้วยอาการแห่งปัญญาในมหาคุลาศลญาณสัมบยุตจิตอันนี้ก็ในกคมพีว่านะฮะเพราะยังไม่ใช่มรรคผลเป็นญาณเบื้องต้นมหาคุศลก็ไปทำหน้าที่เจริญกำหนดรู้สามบทว่าอภิญญายะ ย, ยาตตะอภิญญายะ ย, ยาตตะสภาพที่รู้แห่งปัญญาได้แก่สภาพที่ รู้ถึงสภาวะธรรมด้วยยาตาปริญญากําหนดรู้ในการรู้ก็คือรู้แล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเนื้อความไม่ขออธิบายนะคาพูดเหล่านี้มันมีหลายๆประเด็นปนๆปปกันอยู่ผมได้เรียงมาโดยลําดับตั้งแต่ต้นๆแหละแต่นี้ที่สําคัญเนี่ยครคือข้อที่ 9. เก้าสำคัญก็คือว่าจุดเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แยกทำไมต้องแยกรูปแยกนะ้าไอ้อรู้ลักษณะนี่มันไม่รู้ว่าไม่ใช่คนใช่ไหมทำไมต้องแลกแยกรูปแยกนะ้าคือไอ้อรู้น้มรูปเป็นลักษณะยังไงเป็นส่วนๆมาทำไมต้องเอาไอ้สองอย่างนี้มาเปรียบเทียบแยกรูปแยกนะ้าจึงเป็นการตีค่าวิญาณที่หนึ่งต้องรู้โดยเทียบเคียงระหว่างสภาวะรูป ก, กลุ่มหนึ่งกับน้ำกลุ่มหนึ่ง มาเป็นเครื่องแยกออกจากกันในเพราะอะไรนี่เรื่องน่าสนใจอยู่ตรงนี้วันนี้ก็จบก่อนพูดเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ยานเร็วไป <laughs> ขากราบขอบพระคุณอนาะจารย์ชุดเทพในนามของพวกเราทุกๆคนนะคะ